ภิกษุรูปเดิมทูลถามต่อว่าความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนมีขึ้นได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับสัจธรรมเป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้ฝึกตนในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมะของสัตบุรุษ